เครื่องดื่มเครื่องดื่มสำหรับพระน้ำปานะคือเครื่องดื่มสมัยนี้มีเครื่องดื่มมากมายหลายชนิดมีทั้งชนิดถุงกล่องกระป๋องและขวดหลากหลายยี่ห้อมีน้ำผลไม้ทุกอย่างให้เลือกมีน้ำอย่างเดียวมีทั้งเนื้อทั้งน้ำปนกัน มีประเภทนมสดนมข้นม น, นมถั่วเหลืองและน้ำนมข้าวเป็นต้นรวมทั้งประเภทบำรุงกำลังเช่นซุปไก่แบนรังนกริโพกระทิงแดงไมโโรโอวันตินและกาแฟเป็นต้นมีมากมายบรรยายไม่จบไม่สิน้นมีการผลิตขึ้นมา เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคใครชอบประเภทไหนก็ซื้อได้ตามร้านค้าตู้แช่ทั่วไปมีทั้งเย็นทั้งไม่เย็นไว้บริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงคารวาสญาติโยมดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้ได้ทั้งหมดไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดส่วนพระบางรูป ก็คิดว่าควรจะดื่มได้ทั้งหมดเหมือนกันเพราะมีความกระหายเหมือนกับโยมปัจจุบันนี้พระบางรูปท่านมองเห็นเครื่องดื่มทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเป็นน้ำปานะหมดต่อไปวันข้างหน้าบางทีท่านเหล่านี้อาจจะสงเคราะห์เครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์ เช่นเบียร์ไวและวิสกี้เป็นต้นว่าเป็นน้ำปานะก็ได้เมื่อถึงเวลานั้นพระบางส่วนก็คงมีสภาพไม่แตกต่างอะไรกับคารวาสญาตโยมปัจจุบันนี้ก็กำลังปรากฏให้เห็นอยู่ตามงานปริวาทหรือตามงานประชุมบางแห่ง ที่มีพระเป็นจำนวนมากพอถึงเวลาบ่ายหรือเย็นจะมีโยมไปเลี้ยงน้ำปานะกันบางวันจะเป็นนมสดนมกล่องบางวันก็เป็นน้ำเต้าหู้ส่งเครื่องมีทั้งลูกเดือยและมลเร็ดบัวใส่เข้าไปด้วยบางวันก็เป็นต้มถั่วเขียวข้นๆ มีน้ำนิดหน่อยบางวันก็เป็นไอศครีมถั่วดำบางวันเป็นน้ำปั่นผลไม้รวมมีทั้งสับประรดแตงโมมาระกอและแครอทเป็นต้นชนิดไม่ต้องกรองทั้งเข้มทั้งข้นล้วนแต่เป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติ ถูกปากทั้งนั้นโยมอุตส่าห์ทำให้ถึงขนาดนี้มีพระบางรูปไม่ถูกใจยังบ่นอีกว่าโยมน่าจะเอาโจกมาถวายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยท่านจะพูดประชดหรือพูดจริงก็ไม่ทราบแต่ถ้าท่านพูดจริงก็เห็นด้วยกับท่านเหมือนกันเพราะน้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง ไอส์ครีมถั่วดำกับโจ๊กก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่ส่วนพระบางรูปเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเหลือเกินโยมเอาอะไรมาถวายก็บอกว่าไม่คือไม่ปฏิเสธดื่มหมดทุกอย่างไม่มีขัดศรัทธาตั้งแต่ผู้ใหญ่จนถึงผู้น้อยก็ไม่เห็นท่านห้ามปรามอะไร พูดแต่ว่าเข้าท่าดีนะโยมพระรูปที่ท่านไม่ดื่มก็มีบ้างแต่ก็น้อยบางรูปท่านเห็นว่าไม่สอดคล้องต่อพระวินัยจึงถามโยมว่าโยมทำไมถวายน้ำปานะอย่างนี้โยมตอบว่าหลวงพ่อท่านแนะนำเจ้าค่ะสรุปแล้วเกิดจากพระบางรูปชอบ แล้วไปสั่งโยมทาโดยลำพังโยมคงไม่คิดทำถวายขนาดนี้บางรูปท่านก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอยู่ที่วัดท่านก็ดื่มน้ำปานะประเภทนมสดไมโลโอวันตินกาแฟน้ำเต้าหู้และน้ำผลไม้ปั่นอยู่แล้วสำหรับท่าน ที่ไม่เคยดื่มอย่างนี้เพราะเห็นว่าผิดต่อพระวินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้จึงไม่ดื่มการถวายน้ำปานะดังกล่าวมานี้พระที่ยังไม่เข้าใจพระวินัยต่างก็แซ่ซ้องสรรเสริญกันใหญ่ว่าน้ำปานะที่นี่ดีจริงๆ ดื่มแล้วอยู่ท้องดีโยมก็แสนดีไม่ปล่อยให้พระท่านหิวไม่เหมือนบางงานวันไหนไหนก็ถวายแต่น้ำขิงน้ำมะตูมเป็นต้นพระปฏิบัติบางรูปก็ให้โยมทำน้ำปานะชนิดพิเศษคือให้เอาเนื้อไก่มาหั่นให้ละเอียดต้มใส่เครื่องแกง เครื่องยาทำเหมือนแกงไก่ทุกอย่างต้มสุกดีแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางแล้วให้นำมาถวายพระโดยให้เหตุผลว่าน้ำปานะชนิดนี้มีประโยชน์มากเป็นทั้งยาเป็นทั้งน้ำปานะเหมาะสำหรับนักปฏิบัติอย่างเราเวลานั่งกรรมฐานานา น, าน เลือดลมเดินไม่สะดวกพอดื่มน้ำปานะเข้าไปจะช่วยขับลมดีมากและไม่เป็นโรคขาดสารอาหารทำให้มีเรียวแรงปฏิบัติธรรมต่อไปฟังดูแล้วเหมือนจะเข้าท่าดีที่กล่าวมานี้เป็นนานาทัศนะที่มีความคิดความเห็นและความประพฤต ไม่สอดคล้องกับพระธรรมวินัยนับวันก็ยิ่งมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับพระที่ใครต่อการศึกษาพระธรรมวินัยควรพิจารณาเสียก่อนว่าเครื่องดื่มประเภทไหนถูกต้องประเภทไหนไม่ถูกต้องตามพระวินัยเมื่อพิจารณาดีแล้วจึงค่อยดื่มน้ำปานะ ที่ถูกต้องนั้นก็จะไม่เป็นอาบัตน้ำปานะที่ทรงอนุญาตน้ำปานะที่ทรงอนุญาตให้พิสูุดื่มแก้กระหายนั้นจัดเป็นยามะการิกคือเครื่องดื่มที่พิสูตรับประเคนแล้วเก็บไว้ดื่มได้ตลอดหนึ่งวันกับหนึ่งคืนมีอยู่8ดอย่าง เรียกว่าน้ำอัทธบานหรือน้ำปานะได้แก่ 1. น้ำมะม่วง 2. น้ำลูกว่า 3. น้ำกล้วยมีมเมร็ดสน้ำกล้วยไม่มีมเมร็ด 5. น้ำมะสาง 6. น้ำลูกจันทร์หรือองุ่น เน้ำเงาบัว8น้ำมะปางหรือลิ้นจีพระพุทธองค์ตัดไว้ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตน้ำปานะ8ชนิดน้ำปานะทำด้วยผลมะม่วงน้ำปานะทำด้วยผลว่าน้ำปานะทำด้วยผลกล้วยมีมะเร็ดน้ำปานะ ทำด้วยผลกล้วยไม่มีเม็ดน้ำปานะทำด้วยผลมะสางน้ำปานะทำด้วยผลจันหรือองุ่นน้ำปานะทำด้วยเง่าบัวน้ำปานะทำด้วยผลมะปางหรือลินจีวิธีทำน้ำปานะ 1. ถ้าพระทำน้ำปานะเอง ควรรับประเค็นมะม่วงเป็นต้นหรือน้ำพึ่งน้ำตาลกวดและกาละบูนเป็นต้นก่อนเมื่อใช้มะม่วงสุกทำน้ำปานะก็ขยำทั้งลูกแล้วคั้นเอาน้ำหรือจะใช้มีดปาดเอาเฉพาะเนื้อแล้วค่อยขยำคั้นเอาน้ำแล้วกองด้วยผ้าขาวบางไม่ให้มีกาก ถ้าใช้มะม่วงอ่อนทำน้ำปานะควรเอาไม้ทุกมะม่วงให้แตกละเอียดแล้วแช่น้ำเย็นสะอาดนำไปตากแดดให้สุกด้วยแสงอาทิตย์แล้วเอาผ้าขาวบางกองไม่ให้มีกากจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำพึ่งน้ำตาลกวดและกาะบูลเป็นต้นปรุงเสร็จก็ดื่ม ได้ตามชอบใจถ้าเหลือก็เก็บไว้ดื่มตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเท่านั้นถ้าเป็นผลไม้ที่มีมะเร็สปลูกขึ้นได้ควรทำกับปิยะก่อนน้ำปานนะที่เอาผลไม้มาใส่เครื่องปั่นแบบเข้มข้นที่ทำการแพร่หลาย โดยไม่ใช้ผ้าเขาบางกองเลยไม่สมควรต้องกองไม่ให้มีกากจึงควร 2. ถ้าเป็นสา ม, มนเณรหรือโยมทำให้พระรับประเคนแล้วเก็บไว้ดื่มได้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนผลไม้ที่เหลือมีน้ำลูกว่าเป็นต้นมีวิธีทมเหมือนน้ำมะม่วงทุกประการ ที่ไม่เหมือนก็เฉพาะน้ำมะสรางเวลาทำน้ำมะสรางขยมเสร็จแล้วต้องใส่น้าสะอาดผสมลงไปเพราะมะสรางมีน้ำน้อยจะใช้มะสางล้วนๆโดยไม่ผสมน้ำนั้นไม่ควรการทำน้ำปานะด้วยผลไม้แปดอย่างเหล่านี้ผสมด้วยน้ำเย็นก็ดี ทำสุกด้วยแสงอาทิตย์ก็ดีสมควรสุกด้วยไฟไม่ควรดังที่ท่านแสดงไว้ว่าบรรดาน้ำปานะแบดอย่างนั้นอัมพะปานะนั้นได้แก่ปานะที่ทำด้วยผลมะม่วงดิบหรือสุกในมะม่วงดิบและสุกสองอย่างนั้นเมื่อจะทำมะม่วงดิบพึงทุบมะม่วงอ่อน แช่น้ำตากแด่ให้สุกด้วยแสงอาทิตย์แล้วกรองปรุงรสด้วยน้ำพึ่งน้ำตากลกรวดและกาลบูลเป็นต้นที่รับประเคนในวันนั้นอัมภะปานะที่พิสุธทธรอย่างนั้นไม่ควรในเวลาเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นส่วนอัมภะปานะที่พวกอนุ ป, ปะสามบัรทำ ซึ่งพิสุรับประเคนในเวลาก่อนฉันเช้าย่อมควรแม้บริโภคผสมกับอาหารในปุเรพัทเช้าถึงเที่ยงส่วนที่รับประเคนในปัจฉาพัทหลังเที่ยงไปจนถึงอรุณขึ้นย่อมควรโดยบริโภคปราศจากอามิสอาหารจนถึงเวลาอารุณขึ้นในน้ำปานะทุกชนิดก็ในนี้ อัฐบาลเหล่านี้เย็นก็ดีสุกด้วยแสงอาทิตย์ก็ดีย่อมควรสุกด้วยไฟไม่ควรน้ำปานะที่สุกด้วยไฟทรงห้ามไม่ให้ฉันมีเหตุผลสองประการ 1. น้ำปานะแดอย่างหรือน้ำปานะอนุโลมซึ่งเป็นน้ำดื่ม โดยผ่านการกรองด้วยผ้าขาวบางมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ดื่มได้ตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งคือเก็บไว้ฉันได้จนถึงก่อนอรุณของวันใหม่ขึ้นถ้าหากทำให้สุขด้วยไฟก็จะกลับกายสภาพความเป็นยามะการิกเป็นดุจยาวะการิกไป ซึ่งเป็นโภชนาหารที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ฉันได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเท่านั้นหลังจากเที่ยงวันไปไม่ควร 2. น้ำปานะแปดอย่างหรือน้ำปานะอนุโรมที่พระผู้มีพระภาคทรงห้ามสุกด้วยไฟนั้นเพราะน้ำปานะอันสำเร็จจากผลไม้ที่ยังสดอยู่ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยสารอาหารต่างๆครบบริบูรณ์น้ำผลไม้ที่ไม่ได้ผ่านการต้มให้สุกด้วยไฟผสมกับน้ำเย็นซึ่งเป็นน้ำสะอาดอยู่แล้วย่อมไม่ไปทำลายสารอาหารให้เสียหายไปเมื่อเป็นเช่นนี้พระพิสุซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอนุญาตให้ฉันอาหารมื้อเดียวคือเช้าถึงเที่ยงวันเท่านั้น ตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปท้องของพิสุจะว่างจากอาหารที่ไหลลงสู่ท้องแต่ปาจะกะเตโชธาตซึ่งเป็นธาตุไฟตัวเผาผลาญอาหารให้ย่อยก็ยังทำงานปกติจนทำให้ร่างกายเกิดความหิวขึ้นและในส่วนของกระเพาะอาหารก็เร่าร้อนทำให้พิสุ เกิดความกระสับกระส่ายสมณธรรมของท่านก็เป็นไปอย่างไม่สะดวกเมื่อได้น้ำปานะที่สำเร็จมาจากผลไม้อันเพียรพร้อมด้วยสารอาหารผสมด้วยน้ําเย็นหรือไม่ผสมก็ตามพิสุดื่มน้ำปานะเข้าไปจะช่วยดับไฟธาตุนั้นให้เย็นลงเมื่อเป็นเช่นนี้พิสุก็ไม่กระสับกระส่าย เพราะเวทนาสมณธรรมของท่านก็จะสามารถสืบต่อไปได้สะดวกยิ่งขึ้นนิสยพิขุปาติโมฆะภาษาดีการจนาโดยอาจารย์ชนากาพิวังสะฉบับอักษรพรมา่า น้ำปานะอนุรมน้ำปานะอนุรมคือเครื่องดื่มที่อนุรมตามน้ำอัฐบานมีสองอย่างคือ 1. อกังอากิยะปานะอนุรมคือน้ำปานะที่ไม่สมควรพระดื่มในเวลาวิการไม่ได้ถ้าดื่มต้องอาบัตปาจิตตีได้แก่น้ำแห่งทั ญ, ญชาต ข้าวเจดชนิดคือข้าวสารีข้าวเปลือกข้าวเหนียวข้าวละมานข้าวฟ่างลูกเดือยและย่ากับแก่น้ำแห่งมหาผลผลไม้ใหญ่9ชนิดคือผลตานะพร้าวขนุนสาเกน้ำเต้าฟักเขียว แตงไทยแตงโมงและฟักทองน้ำแห่งอปรรณชาติคือถั่วชนิดต่างๆมีถั่วเหลืองถั่วเขียวและถั่วดำเป็นต้นน้ำมหาผลก้าวและอปรรณชาติคือถั่วชนิดต่างๆเป็นยาวการิก มีคติเหมือนอย่างธั ญ, ญชาติพระพิสุจะดื่มในปัจชาพัทตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงอรุณขึ้นไม่ได้แม้ที่ต้มแล้วกองหรือที่ทำเป็นเครื่องดื่มชนิดต่างๆเช่นและตาซอยและวัยตะมิ้วเป็นต้นก็ดื่มไม่ได้ถ้าดื่มเป็นอาบัตปาจิตตี หากเป็นสา ม, มนเณรจะผิดศีลข้อหดังที่ท่านแสดงไว้ว่าทั ญ, ญชาติเจ็ดชนิดเป็นอันห้ามแล้วว่าไม่ควรในปัจ ช, ชาพัทมหาผลเก้าอย่างคือผลตาลผลมะพร้าวผลขนุนผลสาเกน้ำเต้าฟักเขียวแตงไทยแตงโม ฝักทองเป็นอันทรงห้ามและอัปปรัณชาติทุกชนิดมีคติอย่างทั ญ, ญชาติเหมือนกันเพราะเหตุนั้นจึงไม่ควรในปัจฉาพัท2กัปปิยะปานะอนุโรมคือน้ำปานะที่สมควรพระดื่มในเวลาวิการได้ ตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงอรุณขึ้นไม่เป็นอาบัตได้แก่น้ำปานะแห่งผลไม้เล็กมีหวายมะขามมะง่วมะขิดสะคอและเล็บเหี่ยวเป็นต้นไม่สามารถนับจำนวนได้มีคติเหมือนอย่างน้ำอัฐบาล มีวิธีทํำเหมือนกับน้ํามะม่วงทุกประการน้ําแห่งผลไม้ทุกชนิดเว้นน้ําเมล็ดข้าวเปลือกกับสิ่งที่อนุโรมน้ําแห่งใบไม้ทุกชนิดเว้นน้ําต้มผักน้ําแห่งดอกไม้ทุกชนิดเว้นน้ําดอกมะสางและทรงอนุญาตน้ําอ้อยสดที่หีบแล้วกรองไม่มีกาก วิธีทรรมให้อนุปัตสามบันขยำทุกผลไม้ใบไม้และดอกไม้ครั้นกับน้ำเย็นที่สะอาดหรือให้สุกด้วยแสงอาทิตย์กรองด้วยผ้าขาวบางอีกครั้งหนึ่งน้ำผลไม้ใบไม้และดอกไม้ทุกชนิดเป็นยามะการิพิสุรับประเคียนแล้ว เก็บไว้ดื่มได้ตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่เป็นอาบัตดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตน้ำผลไม้ทุกชนิดเว้นน้ำแห่งผลทันญชาติน้ำใบไม้ทุกชนิดเว้นน้ำต้มผักน้ำดอกไม้ทุกชนิดเว้นดอกมะ้างและอนุญาตน้ำอ้อยสด เพศสัตว์หฉันในเวลาวิกาลได้เศทศสัตว์หคือในใสในคข้นน้ำมันน้ำพึ่งและน้ำอ้อยพระพุทธองค์ทรงอนิญาตให้พิสุผู้เจ็บไข้ได้ป่วยฉันอาหารไม่ค่อยได้ฉันอะไรก็อาเจียนเป็นโรคผอมแห้งแรงน้อย ฉันแก้โรคได้เภสัตห์้านี้จัดเป็นสัตหาการิมีอายุการเพียงเจ็ดวันพิสุรับประเคนแล้วเก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันเกินเจ็ดวันไปพออรุณที่8ดขึ้นเป็นนิสสกขขียะปาจิตตีพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้รับประเคนเภสัตห่าแล้ว ฉันได้ทั้งในการทั้งในเวลาวิการเพศสัตว์ห้าเหล่านี้จะเป็นยาก็ได้จะเป็นอาหารก็ได้เพราะฉะนั้นพระภิกษุควรฉันเพศสัตว์ห้าเป็นยากแก้โรคอย่าฉันเป็นน้ำปานะดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเพศสัตว์ห้าเหล่านี้คือในใสในข้น น้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นเพศั์อยู่ในตัวและสมมุติว่าเป็นเพสั์ทั้งสำเร็จประโยชน์เป็นอาหารแก่สัตว์โลกและไม่ปรากฏเป็นอาหารหยากดูกนพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตให้รับประเคนเภสัตห้านั้นแล้วบริโภคได้ทั้งในการ ทั้งในเวลาวิกาลน้ำอ้อยงบถ้าไม่ป่วยไขย้ให้ละลายน้ำฉันเหมือนอย่างน้ำปานนะนมเป็นอาหารประนีดดื่มในเวลาวิกาลไม่ได้ปลาเนื้อนมสดและนมสม้มสี่อย่างนี้ไม่จัดเป็นเพสัตห้า ไม่จัดเข้าในยาวะชีวิตของฉันได้ตลอดชีวิตและไม่จัดเป็นน้ำปานะอันเป็นยามะการิกของฉันได้ตั้งแต่เช้าไปจนถึงอรุณขึ้นแต่จัดเป็นอาหารประนีเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพิสุจึงไม่ควรดื่มนมในเวลาวิการแม้เครื่องดื่มต่างๆ ที่ผสมกับนมแล้วก็ไม่ควรดื่มเหมือนกันถ้าดื่มต้องอาบัตปาจิตตีดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพิสุใดมิใช่ผู้อาพาธขอโพชนะอันประณีเห็นปานนี้คือในใสในคข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อ นมสดนมส้มเพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วฉันต้องอาบัติปาจิตตีน้ำปานะสมัยนี้มีมากมายหลายอย่างมีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามพระวินยัยเมื่อทําความเข้าใจแล้วก็จะรู้ได้ว่าอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องเมื่อรู้แล้ว โยมก็ควรถวายน้ำปานะที่ทรงอนุญาตไว้เท่านั้นเช่นน้ำมะม่วงคั้นเป็นต้นพระดื่มจึงไม่เป็นอาบัติถ้าโยมถวายน้ำปานะที่ไม่ทรงอนุญาตไว้เช่นนมสดนมถั่วเหลืองวิตามิวน้ำเต้าหู้ต้มถั่วเขียวไมโล และโอวันตินเป็นต้นเมื่อพระดื่มในเวลาวิกาลจะต้องอาบัดปาจิตตีพระควรเลือกดื่มน้ำปานะที่ทรงอนุญาตไว้มีมากมายเช่นน้ำมะม่วงคั้นเป็นต้นน้ำปานะที่ไม่ถูกต้องตามพระวินยัยควรหลีกเลี่ยงอย่าดื่มตามที่โยมถวายทั้งหมด ถ้าโยมเอาน้ำอะไรมาถวายก็ดื่มหมดโดยไม่พิจารณาจะต้องอาบัตได้ง่ายพระวินัยข้อไหนที่เกี่ยวข้องกับโยมถ้าโยมรับรู้บ้างมาร่วมด้วยช่วยกันกับพระจะทำให้พระรักษาพระวินัยได้สะดวกขึ้นเพราะโยมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพระไม่ให้ต้องอาบัตไม่ใช่หรือ